มาตราพิเศษในสิขาบททั้งหลายเมื่อกล่าวถึงมาตราวัดถ้าวัดสัน้นกำหนดให้ใช้สุคตประมาณเช่นคืบสุคตนิ้วสุคตกัปเจ้าปรารถนาจะหาทางเข้าใจสุคตประมาณว่าเป็นประมาณพิเศษอย่างหนึ่งเช่นเรียกว่านิ้วฟุตหรือนิ้วช่างไม้เพราะคาว่าสุคตแม้เป็นคุณบทของพระศัสดา มีอยู่แต่ก็ไม่ใช่คําที่ท่านจูบเข้าในพระโอษฐ์ของพระศาสดาให้เรียกพระองค์เองและไม่ใช่คําที่สาวกเรียกพระศาสดาด้วยแต่หาไปก็ไม่สําเร็จเพราะในปฏิโมกนั้นเองมีคําว่ามีประมาณแห่งสุคตจีวรของพระสุคตจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นจากพระศัสดาไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงลงสนิทฐานว่า และสัสดาทรงกำหนดนิ้วพระหัตต์ของพระองค์เองเป็นหลักมาตราวัดสำหรับใช้วัดสัน้นเพราะว่าเมื่อกล่าวถึงโยต์แล้วไม่มีว่าโยตสุคตข้อนี้ดูก็กำหนดหลวมๆและกำหนดเพียงชั่วคราวแต่เมื่อสิกขาบทเป็นมายืนยาวประมาณนั้นกลับเป็นอันรู้ได้ยากพระอัฏฐกถาจารย์แก้สุคตประมาณไว ในอัธกถาแห่งสัญญาจิกาสิกขาบทว่าคืบสุคตนั้นสามคืบแห่งคนปานกลางในครั้งนั้นเป็นสอกคืบช่างไม้โดยในนี้ตามพระมหาบุรุษลักษณะพระสัสดาสูงเท่าวาของพระองค์จึงเป็นสูงส2สองอกช่างไม้สูงกว่าคนสามันสามเท่าสุคตประมาณในสิกขาบท จึงเอาสามคูณวัตกีประมาณคือคืบนิ้วช่างไม้เมื่อเป็นเช่นนี้ส่วนทั้งหลายจึงใหญ่ไปหมดแต่ก็ไม่ได้ยินว่าใครปรารบเรื่องนี้มาก่อนนอกจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปะวะเรศวรยาลงกรเสด็จพระอุปชาของข้าพเจ้าท่านทรงสนิฐานเห็นว่าพระศัสดาไม่ใหญ่โตกว่าคนในยุคเดียวกันนะัก ทรงชักเรื่องมาสาถกหลายเรื่องแสดงในที่นี้แต่บางเรื่องพอเป็นอุทาหรณ์ตั้งต่อไปนี้ 1. พระนนพุทธอนุชามีรูปร่างงดงามคล้ายคลึงพระสัสดาแต่ต่ำกว่า4นิ้วท่านครองจีวรมีประมาณเท่าสุคตจีวร 2. ทรงเปลี่ยนผ้าสังคาติกันได้กับพระมหากระสบ พระเจ้าอาชาตสตรูเสด็จไปเฝ้าพระสัสดาในคืนวันหนึ่งพระองค์เสด็จนั่งอยู่ในหมู่ภิกษุสงฆ์เท้าเธอทรงกำหนดไม่ได้ถึงกับตรัสถามหมอชีวโกโกมราพัทสีปุกุสาติกุลบุตรบวชอุทิศ ต, ต่อพระองค์มาพบกันเข้าในโรงช่างหม้อแห่งหนึ่งไม่รู้จักพระองค์สำคัญว่าบรรพชิตสามัญ พระสันนิษฐานของท่านในเรื่องนี้ไม่มีนักปราดผู้ใดผู้หนึ่งจะขานได้เมื่อตกลงว่าพระศัสดาไม่ใหญ่เกินไปเช่นนั้นแล้วสุคดประมาณก็จะต้องสั้นลงมานี้ก็มีของที่จะสาธกให้เห็นชัดมีวัดของภิกษุอยู่ว่าจะเก็บบาทไว้ใต้เตียงให้เอามือคลําก่อนแล้วจึงค่อยเก็บนี้บ่งให้เห็นว่าเท้าเี่งสั้นลำพังนั่ง ไม่แลเห็นใต้เตียงถ้าเท้าสูงจะต้องคลาทำอะไรมีอะไรที่จะโดนก็แลเห็นอันจะกาหนดสุขคิประมาณไม่ใช่ง่ายท่านจึงทรงจับเอาประมาณของคนในครั้งนั้นโดยในว่าสูงสี่ศอกเป็นหลักแต่ทรงพระดำริว่าข้อที่เอาสามคูณ น, นั้นพระอัคคกาถาาจารย์เข้าใจผิดไปกระมังบางทีจะเป็นให้เอาสามหาร จึงทดลองคำนวณดูแบ่งคืบช่างไม้เป็นสามส่วนคือส่วนละสนิ้วเพิ่มเข้าไปอีกส่วนหนึ่งเป็นสี่ส่วนคือ16นิ้วสมมติว่าเป็นคืบสุคตลดลงประมาณเพียงเท่านี้ท้าวเตียงก็ต่ำสมที่จะต้องคลาจีวอนก็ได้กำหนดที่ใช้กันมาว่ายาวหกศอกกว้างสี่ศอกตามในนี้ ส่วนประกายพระสัสดาควรจะสูง128นิ้วหรือ5้ศอกนิ้วช่งางไม้แต่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจหรือได้เหตุไม่พอว่าฉะไหนในสุคดวิทัศติดประกรณ์ที่ทรงรจนาไว้จึงถือเอา129นิ้วเป็นเกณฑ์แห่งพระสัสดาวิธีคำนวณสุคดประมาณ ตามแบบซึ่งทรงสนิฐานลงเอา129คูณประมาณที่ว่าไว้ในสิขาบทเอา96หารเลขลับเป็นวัตกีประมาณเศษกระจายออกไปแล้วเอา96นั้นหารเลขลับเป็นเศษแห่งวัตกีประมาณแต่ในแบบนี้แบ่งกระเบียดหนึ่งเป็น4อนุ ก, กระเบียดสุขประมาณ ตามพระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์นั้นตัดสั้นลงมาได้จากอัตกถาในทั้งสมร่องรอยจัดว่าดีกว่าบางทีก่อนครั้งอัตกถาขึ้นไปจะสันนิษฐานกันเป็นอย่างนี้ก็เป็นได้แต่เทียบดูส่วนคนในยุคเดียวกันในประเทศเดียวกันยังโตกว่ากันนัก สูงกว่ากันเกือบสอบคืบพระเจ้าอาชาติศัตรูควรจะกําหนดรู้ได้หากว่าเป็นได้จริงก็ไม่สูงเฉพาะพระศัสดาพระมหาอกศสศศและพระอานนท์ก็พลอยสูงไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ความสูงผิดกันมากนั้นจะถือเป็นอัศจรรย์ของพระศัสดาพระองค์เดียวไม่ได้ต้องถือว่า เป็นความแผกกันของคนในประเทศนั้นยังตกข้างใหญ่อยู่นั่นเองมีทางจะสนิฐานให้เตี้ยลงมาได้อย่างไรบ้างเห็นอยู่ทางหนึ่งว่าข้อที่กล่าวไว้ในคัมภีร์วิพังในนิทานต้นบัญญัติห้ามทรงสุคตจีวรว่าพระอนุนต่ำกว่าพระสัสดาสีนิ้วนั้นพอจะจับเอาเป็นเกณฑ์สำหรับอนุมานได้ ข้อว่าพระอานนท์เป็นผู้มีรูปร่างงดงามนั้นถ้าสูงเท่ากับคนสามัญพระศัสดาก็สูงกว่าขนาดสนิ้วเท่านั้นเพราะคำว่ามีรูปร่างงดงามหากจะสูงกว่าคนสามัญสักเล็กน้อยก็ยังได้จะให้สูงเท่าไหร่สนิ้วของท่านเป็นเกณฑ์อยู่แล้วโดยในนี้พระศัสดาก็สูงกว่าขนาดเพียง8ดนิ้ว ค่อยอย่างชั่วหน่อยคิด4นิ้วกับ8นิ้วถัวกันเข้าถือเอาประมาณกลางว่า6นิ้วแต่ก็ต้องยอมรับขนาดคนที่ว่าสูงสศอกไม่ใช่นั้นก็ไม่มีทางสันนิษฐานต่อไปเอา6นิ้วบวก96นิ้วได้102นิ้วหรือสศอก6นิ้วเป็นส่วนสูงแห่งพระสัสดา วิธีคำนวณสุขคประมาณย่อเกณฑ์ลง17เป็นเกณฑ์พระสุคตสำหรับใช้คูณ16เป็นเกณฑ์วัตกีสำหรับใช้หารตามในนี้ผิดกันไม่มากนักเช่นเท้าเตียง8นิ้วสุคตเป็น8นิ้วกับ2กระเบียดช่างไม้เท่านั้นอย่างไรก็ยังเป็นอันยากอยู่นั่นเองหรือจะเรียกว่า หมดทางสันนิษฐานแน่นอนก็ได้ข้าพเจ้าขอแนะไว้ว่าสุก็ประมาณตามแบบของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปะวะเรศวริยาลงกรที่รับรองทั่วกันแล้วในบัดนี้แม้ผ่อนลงมาแล้วก็ยังยาวกว่าประมาณที่ใช้อยู่ในประเทศเราในบัดนี้เพราะฉะนั้นจะใช้เครื่องวัดอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม้ฟุตอังกฤษ ไม้ศอกช่างไม้วัดนิ้วเท่านิ้วหรือไม้เมตรเทียบ27ซนเมตรคือส่วนแบ่งจากร้อยต่อคืบหนึ่งคือ12นิ้วคงไม่เกินสุขคิดประมาณอยู่นั่นเองไม่ต้องรังเกียจถ้าตามแบบของข้าพเจ้าไม้ฟุตใช้ไม่ได้ยาวไปใช้ได้แต่ไม้สอกช่างไม้กับไม้เมตรแต่ส่วนผิดกันไม่มากนะัก ไม่น่าจะต้องคำนวณให้ลำบากใช้วัดด้วยไม้สองอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วกันแต่ไม้สอกช่างไม้นั้นไม่มีหลักอีกต่อไปข้างหน้าถ้าบ้านเมืองจะบัญญัติหลักมาตราลงไปแน่นอนคงจะใช้แบบเมตรที่ประเทศทั้งหลายใช้กันอยู่มาเขานิยมว่าเป็นแบบที่แน่นอนเพราะจับเอาระยะแห่งโลกเป็นหลัก ทั้งเทียบกันได้กับสอกช่างไม้ของเราเหลื่อมกันเพียงนิดหน่อยเมตร1เทียบกับ2ศสอกได้กึ่งเมตรคือ50เซนติเมตรต่อ1ศสอก25เซนติเมตรต่อ1คืบจะคิดเป็นวาเป็นเส้นก็ยังได้ถ้ารู้จักใช้ไม้เมตรเทียบให้ได้ประมาณตามต้องการเป็นสะดวกด้วยประการทั้งปวงนอกจากนี้ ยังมีมคตนาลีคือทนานที่ใช้อยู่ในแคว้นมคตข้อนี้แก้กันยุ่งใหญ่สั์นี้ไม่ได้มาในมาติกาคือตัวสิกขาบทเป็นแต่กล่าวไว้ในคำพีวิพังว่าบาทขนาดกลางจู่ข้าวสุขนาลีหนึ่งในอัธกถาแก้ว่ามคตนาลีถ้าเพ่งความว่าคำพีวิพังได้รจนาไว้ในแคว้นนั้น หรือเข้าใจให้สูงขึ้นไปกว่าสังคยนาทั้งหลายก็ได้ทํากันที่แคว้นนั้นเช่นนี้แก่ว่ามกฏนาลีก็ถูกทางเพราะว่าเมื่อกล่าวถึงประมาณก็ควรจะถือเอาประมาณที่ใช้เป็นหลักในบ้านเมืองข้าพเจ้าเห็นว่าไม่พอที่ข้าพเจ้าจะลำบากในเรื่องนี้จากงดเสียไม่กล่าวถึงตามความสันนิษฐานของพระ อาจารย์ทั้งหลายที่เป็นชาวสิงห์หนนาลีครึ่งแห่งนาลีสิงห์หนเป็นมคธนาลีหนึ่งเมื่อมคธนาลีมีขนาดใหญ่ใช้นาลีที่กล่าวไว้ในมาตราเป็นเครื่องตวงข้าวสารหุงเป็นข้าวสุกเพื่อกําหนดประมาณบาทก็ควรวินัยมุกเล่มที่หนึ่ง